บึกหัดสามาธิโดยบริกรรมพุทโธเมื่อเริ่มจะเข้าไีเรียนพระกรรมฐานในคณะไหนสํานักพระอาจารย์องค์ใดผู้ที่ท่านสานิจานาในพระกรรมฐานนั้นๆแล้วพึงตั้งจิตเชื่อมั่นในพระอาจารย์องค์นั้นว่าท่านองค์นี้หละเป็นผู้ชํานาญในพระกรรมฐานนี้โดยเฉพาะแน่แท้แล้วก็ให้เชื่อมั่นในพระกรรมฐาน ที่ท่านสอนนั้นว่าเป็นทางที่ถูกต้องแน่นอนและพึงให้ความเคารพในสถานที่ที่ตนไปทําพระกรรมฐานนั้นอีกด้วยและจึงเข้าไปเรียนเอาพระกรรมฐานนั้นต่อไปโบราณอาจารย์ท่านมีพิธีปลุกศรัทธาเบื้องต้นก่อนเรียนเอาพระกรรมฐานคือจัดยกกรูด้วยเทียนขี้พึ่งห้าคู่ดอกไม้ขาวห้าคู่เรียกว่าขันห้า เทียนขี้พึ่งแดคู่ดอกไม้ขาว8ดคู่เรียกว่าคันแปดหรือเทียนขี้พึ่งคู่หนักเล่มละหนึ่งบาทดอกไม้ขาวเท่ากับเทียนแล้วอาราธนาเอาพระกรรมฐานทั้งส0สิบให้เข้ามาอยู่ในคันท่าสันดานของข้าพเจ้าในการบัดนี้แล้วจึงเรียนเอาพระกรรมฐานนั้นต่อไปพิธีญาบยนโบราณการท่านดีเหมือนกันยังมีอีกมากมาย แต่ผู้เขียนจะไม่กล่าวถึงจะกล่าวแต่พิธีง่ายๆพอทำได้ในตอนต่อไปเมื่อปลูกศรัทธาความเชื่อมั่นให้มีขึ้นในจิตใจของตนดังกล่าวมาแล้วจึงเข้าไปหาพระอาจารย์ที่ชำนาญในกา ร, รมฐา น, นนั้นๆถ้าท่านชำนาญในฝ่ายบริกรรมสัมมาอารหังท่านก็สอนในภาวนาสัมมาอารหัง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 ท่านก็สอนให้ภาวนายุบหนอพองหนอให้กำหนดเอาจิตไปไว้ที่อิรยาบทต่างๆเช่นยกเท้าขึ้นว่ายุบหนอเหยียบเท้าลงก็ว่าพองหนอหรือพิจารณาให้เห็นความเกิดและความดับทุกอิริยาบทอย่างนี้เรื่อยไปเป็นอารมณ์เมื่อท่านเข้าไปหาพระอาจารย์ที่ชำนาญในด้านอิทธิฤทธ